ก่รนไปหาปู่สิมเดินขึ้นถ้ำไปเป็ดตอนนั้นช่วงท้ายๆแล้วท่านใกล้จะสิ้นแล้วทางวัดเขาทำลูกหลงเหล็กกั้นไว้ประตูกัน้นตักถ้ำให้คนบุกทั้งวันท่านไม่ไหวไปถึงประตูปิดไปนั่งที่บันไดรอจะต้องนั่งจนประตูเปิดให้ได้เลยค มีพระมาถามหลวงปู่อยู่ไหมอยู่อยู่ในกรดนะตรงที่ท่านนั่งนะมีกรดชางไว้กรดก็บางๆนะผ้ากรดดูไม่เห็นนะหลวใส่หลวงปู่ออกจากกรดไปพระไม่รู้แต่ว่ารู้แล้วว่าวันนี้หลวงปู่ยังอยู่วัดนะนั่งรอนั่งสมาธินะแอบดูกรด ไม่แตะกรดไม่มีหลวงปู่หรอกรออยู่ครึ่งชั่วโมงนะหลวงปู่กกุ๊กกักกุ๊กกักออกมาจะกรดนะ <c oughs> เอออยู่จริงๆด้วยมองไม่เห็นมองไงก็มองไม่เห็นกรดมันก็ไม่ใช่ผ้าทึบๆนะผ้าทึบใครจะไปนั่งอยู่ได้ไท่านก็เดินน่ารักหลวงปู่ ปรสิมน่ารักวุน่วนๆเดินแะล้วถ้าควักลูกกุญแจออกมามาไขาประตูไขเองปิดเองไขเองเปิดเองท่านบอกว่าขึ้นจัดขึ้นมาถ้ำนะถ้ำที่อยู่สูงเดินไปไกลเห็นขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยให้นั่งพักก่อนอนั่งพักให้สบายจะได้ฟังธรรมะคุยธรรมะวนงสบายก่อน ในได้หลักของท่านเราศึกษาธรรมะเราต้องพร้อมร่างกายไม่พร้อมหรือจิตใจไม่พร้อมนะไม่ดีเรียนธรรมะได้ไม่ดีงหนึ่นงบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเรมาหัดภาวนาตอนป่วยหนักนะทำยากมีโยมมาบอกเรื่อยๆอะญาติป่วยหนักจะทํายังไงดี ถามเคยปฏิบัติไหมไม่เคยเคยฟังซีดีไหมไม่เคยเคยอ่านหนังสือไหมไม่เคยเคยทําอะไรบ้างก็ทําทบุญทําอะไรอย่างเงี้ยเคยอย่างนี้แอครับไปช่วยเขาให้เขาคิดถึงบุญไว้หลวงพ่อช่วยอะไรไม่ได้หรอกคนไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วนะขนาดพวกเราคนรู้เรื่องหลวงพ่ อ, อยังช่วยไม่ค่อยไหวเลยบางที <laughs> เรีมารอให้เจ็บหนักแล้วตามพระไปไม่ได้เรื่องหรอกร่างกายไม่พร้อมแล้วสมัยพุทธกาลก็มีสามีพัญญาคู่หนึ่งนี่เป็นเรื่องตอนปลายพุทธกาลอะใกลใกล้ปรินิพันธ์พรเจ้าทันชี้ให้พวกพระดูสามีพัญญาขอทานคู่หนึ่งอายุมาก ท่านบอกคู่นี้ถ้าตอนท่านทัสรู้ใหม่ๆนะสนใจออกปฏิบัติธรรมจะเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลยนะแล้วพออยู่มานานผ่านมาเท่านี้เท่านี้ท่านบอกถ้ามาบวชตอนนี้จะได้พระอนาคาได้พระสกทาคาได้พระโสดาตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแก่มากแล้วทรัพย์สมบัติก็วอดวายหมดแล้วจิตใจมีแต่ความทุกข์ร่างกายมีแต่ความหิวกระหายเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้าเงือนการภาวนานะต้องทำตั้งแต่ยังมีแรงอยู่่ามารอป่วยหนักแล้วทำไม่ได้กินหรอกแต่ถ้าอายุมากมาหัดภาวนาแล้วไม่ดื้อมีเงื่อนไขนะไม่ดื้อไม่ดื้อก็พอทำได้บางองค์ออกบวนอายุมากแนละ้ว รุ่นเรานี้มีองค์หนึ่งเพิ่งสิ้นไปไม่กี่ปีนี้ชื่อหลวงตาผนึกตาผนึกอยู่สุรินบวชตอนอายุหกสิบเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุวัตได้ศึกษากับหลวงปู่ดูลบ้างหลวงปู่สุวัตบ้างแต่หลวงปู่สุวัตเป็นหลักพ่อนาเก่งชาวบ้านนะชาวบ้านไม่ได้เรียนหนังสืออะไรพ่อนาซื่อ เก่งของเล่นเยอะตอนนั้นหลวงปู่ดุลไม่อยู่ละหลวงพ่อก็ไปสุรินทะร์นะไปภาวนาอยู่กับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมไม่ได้แปลว่าทองนะไม่ใช่ภาษาจีนภาษาขเขมร น, นี่พอหลวงพ่อกิมตายแล้วโอ้สุรินทร์ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วนะหลวงปู่สุวัตก็ยังไปอเมริกาอยู่ไม่ไปถาม พระทางสุรินเนะว่าในเมืองสุรินเนี้ยนอกจากต่อจากหลวงพกักกิมแล้วมีองค์ไหนที่เพึ่งพาอาศัยได้มีหลวงตาพผนึกพึ่งพากันไปไปถึงวัดท่านนเปิดประตูเข้าไปเองวัดท่านก็มีประตูกั้นประตูท่านทึบรัวท่านก็สูงวัดกรรมฐานเนี่ยจะกันหมาจะกันหมาเข้าะหมา เข้ามาอยู่เยอะๆมีปัญหากับพระมากอย่างมาตัวเมียนะมขึ้นไปนอนอยู่บนระเบียงกุฏิอะไรนี้นก็ไม่งามแล้วนะแล้ววินัยไม่มียกเว้นให้เลยมีสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วครูบาอาจารย์องไหนท่านบอกว่าภาวนาอยู่นี่แหละอยู่ที่กุฏินะตอนเช้าออกมาไปเจอหลวงปู่ชอบเนาะ โด น, นดุเลยว่าเมื่อคืนทำไมพาผู้หญิงไปอยู่ที่กุฏินัานก็ตกใจผู้หญิงที่ไหนเห็นหมาตัวเดียวนั่นแหละตัวเมียวั <c oughs> ดเลยกับหมานะไม่ค่อยถูกกันหลายเรื่องออกลูกออกหลานเยอะแยะเลยบางวัดนะหมาเยอะมากเลยเวลาเดินเนี่ยต้องคอยก้มให้ดีนะไม่จะเหยียบหมามีแถวเมืองชนก็มี ในวัดหลวงตาพนึกก็มีรั้วขั้นหมานะเปิดเข้าไปเข้าไปในวัดเห็นได้ถุนศาลาเนี่ยมีโยมผู้ชายสามสี่คนนะกำลังกวาดกวาดละเอียดละอ่อนอกวาดแยกกวาดพื้นกวาดเลยเี้ยกวาดกวาถูถูถูรวดเร็วมากเลยเอาเสือมาปูแล้วเข้าไปถามหลวงตาพนึกอยู่ไหมเดี๋ยวมาวเนี่ยนั่งรอ กูเสือไว้แล้วแล้วก็รอไปนานนะยี่สิบนาทีแล้วเอ้ะหลงตาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาตอบเป็นคำเดียวใส่พูดภาษาเขมรเก่งพูดไทยไว้ค่อยเก่ง <c oughs> ทางน้นเขาพูดเขมรเงหลายทีเขาถามเลย ล, ล้วปกติท่านอยู่ที่ไหนอยู่นี่แหละท่านอยู่ในห้องใต้ถุนศาลานี่เองอยู่ห้องนี้แหละนะ แล้วท่านพักอยู่เลยเราท่านกําลังตัดทุ่งมาเดินตัดทุ่งมาเมื่อวันนี้ยตอนเช้าอีกวัดหนึ่งเขามีงานนิมนต์ท่านไปแล้วพอสายๆหน่อยะท่านก็บอกสั่งโยมลูกศิษย์ท่านเนี่ยรีบขี่รถเครื่องไปที่วัดนะจะมีคนมาให้ไปกวดให้เรียบร้อยนะปูเสือตั้งน้ําให้เรียบร้อยนะต้องเรียบร้อยนะ แล้วท่านจะเดินตัดทุ่งตามมาถ้าไม่ขี่รถเครื่องค <c oughs> งไม่อยากสอนสอนมาท่านก็จะไม่ถนัดท่านเดินมาอายุแปดสิบว่าเดินตัดทุ่งมาพอเดินมาถึงเห็นหน้าหลวงพ่อนะเราชอบใจถูกใจ <c oughs> มาเจอกันวันนี้อะไรเงท่านก็คุยกับหลวงพ่อบอกว่า ปฏิบัติดีหรนะอีกหน่อยดีกว่า น, นี้อีกใช่ไหมถามท่านว่าเอ้ยผมมาที่วัดเนี่ยคนไปบอกหลวงตาหรอครับอ๋อไม่หรอกเราฝันไป <c oughs> เราฝันว่าวันนี้อาจะมีปลาตัวใหญ่มาหา <c oughs> เสร็จแล้วท่านก็สอนทีละคนไม่ต้องถามนะท่านสอนเลย มีหลานหลวงพ่อคนอนึงไปด้วยเพื่อสอบหมอสิริราชได้ท <c oughs> ่านเห็นหน้าท่านไม่เคยเจออย่านึกว่าสวยอย่านึกว่าเก่งอย่านึกว่าฉลาดนะ <c oughs> คนเก่งกว่าเราก็มีนะ <c oughs> ท่านเล่นงานไ้ก่อนเลยเนี่ยผู้เฒ่านะบวชตอนอายุหกสิบไม่ธรรมดาคนก็นับถือท่านเยอะออกรถใหม่ไปให้ท่านเจมิม อ, อย่าให้เราเจิมเลยเจิมเถอะเจิมเถอะเราเจิมแรงนะเจิมเถอะเจิมเต็แมแป้งเหมือนนี่นี่หลบมานะถือไม้เท้าก๊อกก๊กลงมาเจิมนะเอาไม้มมไม้เท้าเจิมเจิมเงื่อนไม้เท้าโป้งเออขับให้มีสตินะไม่งั้มันจะชนโป้งน้อตาพอแล้วพอแล้ว เจอพอแล้วน่ารักน่ารักงั้นไม่ใช่ว่าแก่แล้วก็ภาวนาไม่ได้นะอยู่ท um ี่คือยังไหวอะแต่ถ้าประเภทนอนแบบไม่รู้เรื่องฮะถึงจะเด็กนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราตอนนี้ถือว่าเป็นวัยที่ยังมีกำลัง บางคนอายุมากบางคนอายุน้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็ยังหนุ่มสาวอยู่มีกําลังเคยมีครูบาอาจารย์องหนึ่งเล่ากับหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อภาวนาแต่อายุน้อยเพราะว่าดีบอกคนเวลาทําบุญใส่บาตรนะเขาเลือกของที่ดีที่สุดไปทําบุญใส่บาตรเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาเวลาที่ดีที่สุดของเราเลยถวายพระพุทธเจ้า เวลาที่เรายัางมีแรงยังหนุ่มยังสาวนี่แหละให้ถวายพระพุทธเจ้าไปอย่าตามกิเลสไปได้บุญแรงนะตอนงกังกๆแล้วสุขภาพแย่แล้วสมองเสื่อมแล้วเป็นของใกล้จะบูดแล้วใกล้จะเน่าแล้วนะเอาไปถวายพระได้บุญ น, น้อยถ้าว่าอย่างนี้นะช่างคิดเนี่ยเพราพวกเรายังมีแรงอยู่รีบภาวนานะพอเจ็บหนักแล้วก็ ไม่น่ากลัวอะไรช่วยตัวเองได้เวลาเจ็บป่วยแนละ้วถ้าเราภาวนาไว้ชั่ววี่ชั่วนาฬนนะิกายกับจิตมันแยกกันร่างกายนอนหายใจขแมวลขมวลนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลุกเบิกบานได้ด้วยหมอก็รักษาโน้นรักษานี้เราก็เป็นแค่คนดูบางคนนะหมอวางยาสลบไปแล้วนะจิตยังไม่ยอมหลับเลยร่างกายสลบไปแล้วบางทีจิตออกจากกายไป มายืนดูเห็นหมอถอดฟันปลอมฟันปลอมของคนป่วยนะไม่ใช่ของหมอ <c oughs> ไม่ใช่จะผ่าตัดจะ <c oughs> ต้องถอดฟันปลอม <c oughs> อันนี้ยเอาฟันปลอมนะ่ะพยาบาลไปใส่แก้วไว้สุขไว้พอฟื้นขึ้นมานะทวงฟันปลอมฟันไม่มีนี่ก็าภาวนา ม, มานานนะหาไม่เจอพยาบาลก็ไม่รู้ บอกน่นนะ่ๆอยู่ตรงโต้นั่นนะ่ะไปเอามาได้จริงๆนะงนะงันการภาวนานะพยายามฝึกก็ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนี่ยนะถ้าเราหมดกำลังแล้วมันไม่ไหวแล้วเหมือนเราจะหันว่ายน้ำต้องว่ายตั้งแต่ยังไม่ตกน้ำตาย <c oughs> ตว่ายน้ำไม่เป็นไ่ตกน้ำแล้วมาถามหาตำราว่ายน้ำเหมือนพวกป่วยหนักแล้วมาถามว่าจะภาวนายัางไงไม่ทัน แข็งแรงยังฝึกยากเลยเจ็บป่วยมากๆยิ่งยากใหญ่เจ็บน้นเจ็บนี่นะจิตฟุ้งซ่านง่ายให้เราฝึกทุกวันนะต้องฝึกเราไม่รู้ว่าความเจ็บจะมาถึงเราเมื่อไหร่ความแก่มาถึงเมื่อไหร่พอรู้นะความเจ็บมาเมื่อไหร่ไม่รู้ความตายมาเมื่อไหร่ไม่รู้ความจริงแก่ตลอดเวลาเจ็บก็ตลอดเวลานะ นั่งอยู่ก็เมื่อยคันปวดใช่ไหมตลอดเวลาอยู่แะไม่เคยเห็นค่ยรู้สึกไปเรื่อยนะเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันไปเรื่อยจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเจ็บป่วยจิตเป็นคนดูมันเจ็บป่วยตั้งแต่ตอนนี้แล้วมันเจ็บเล็กเจ็บน้อยถ้าเราหัดซ้อมตั้งแต่มันเจ็บเล็กเจ็บน้อยนะั้นพอไปเจอเจ็บใหญ่มันสู้ไหวนะแต่บางทีสู้ไม่ไหวนะเรารู้ยังไม่ตายแน่แล้วบางทีเราก็หนีเหมือนกัน ฉันมาหาบัวเคยเล่าว่าท่านฉันยาจีนเหม็นมากเลยเหม็นขมอะไรเงี้ยท่านบอกเวลาท่านฉันนะถ้าเอาจิตไปไว้บนคือฉันหน้าตาเฉยเลยน่ะแล้วเราฝึกนะฝึกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยได้พออาศัยช่วยตัวเองได้ <c oughs> เวลาเรารเผชิญปัญหาชีวิตเนะเราพลัดพลาดจากสิ่งที่รักเราไม่เจอสิ่งที่รัก เรื่องเหล่านี้เกิดได้ตลอดเวลาบางคนนึกไม่ถึงนะอยู่กันสามีพัญญามีลูกมีความสุขสามีปุกปับตายนะลูกไปเรียนหนังสืออยู่บ้านคนเดียวไม่เคยคิดถึงความพลัดพรากทุกทรมานมากเลยตอนนี้หายแล้วมาเรียนธรรมะหลวงพ่อก็สอนไปเรื่อยๆก็ แต่นี้อยู่สบายๆอยู่ไปได้ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้บางทีนึกไม่ถึงนะลูกแต่งงานเนี่ยพลัดพลากจากสิ่งที่รักแล้วนะอยู่บ้านเดียวกันนะแต่เขาไม่รักเราเหมือนเดิมแล้วเพราะลูกมีหลานลูกมันไปออกลูกมันลืมพ่อลืมแม่แล้วมันรู้แต่ลูกมันนะเนี่ยเราพลัดพลากจากสิ่งที่รักเราหวังไว้มากเลย ว่ามีลูกเต้าอยากมีลูกแก่แล้วลูกจะได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงหรอกยุคของเราเนี่ยเด็กไม่เลี้ยงคนแก่นะคนแก่ต้องเลี้ยงเด็กงั้นเราจะต้องอยู่ให้ได้ฝึกซ้อมที่จะอยู่ตามลำพังให้ได้ถึงอยู่กับคนมากอยู่กับอะไรนะแล้วก็ห ด, ดูจิต ด, ดูใจของเราให้มากพอหนัาของเราไปมันเหมือนเราอยู่กับตัวของเราเองฝึกให้เยอะเลย มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลาง ไ, ได้ไปต่อไปเวลามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราอยู่ได้นะเกิดพลัดพลากจากสิ่งที่รักเกิดเจอสิ่งที่ไม่รักบางทีสิ่งที่ไม่รักเข้ามานึกไม่ถึงนะก่อนหลวงพ่อซื้อบ้านไว้อันนึงอยู่สบายเฉยเงียบๆนะ พอนานๆก็มีบ้านอื่นมาอยู่นะโอ้โหเสียงดังกลางวันคนก็เสียงดังกลคืนหมาก็เสียงดังเลียงหมาไว้ด้วย น, ะนี่ยเราเจอสิ่งที่ไม่รักแล้วเราเคยอยู่สงบนิเวศหรือบ้านเราอยู่ดีๆโรงงานมาอยู่ข้างบ้านเราสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ได้ เราก็มาเจริญสติไรนะหัดรู้กายหัดรู้ใจจนเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวดูตรงนี้ให้เห็นนะพยายามดูลงไปเลยในกายนี้ก็มีแต่ของชั่วคราวในจิตใจนี้ก็มีแต่ของชั่วคราวดูให้เห็นของจริงถ้ามันยังไม่เห็นก็คิดนำก่อนก็ได้นะร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงดูเส้นผมเราแต่ก่อนดำเดี๋ยวนี้ไม่ดำแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนมีผมมากเดี๋ยวนี้มีผมน้อย คิดเอาก่อนก็ได้แต่พอถึงขั้นจเจริญปัญญาจริงจะไม่คิดเอาแต่รู้สึกเอาที่ใช้รู้สึกเอานพยายามมันรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆจนมันยอมรับจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ ก, ก็ชั่วคราวกิเลสก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยจะไม่หวั่นไหว ร่างกายจะต้องเจ็บหนักเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าร่างกายเป็นของโชคราวจิตก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่เราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายเป็นของชโวคราวจิตก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะตายเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตายร่างกายเป็นของชั่วคราวจะตายก็ไม่หวั่นไหวเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราได้รับความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่แปลกใจเรารู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว ความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงเรารู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยการที่เราคอยเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเรานะเป็นในกายในใจนี่มีแต่ของชั่วคราวเพียงเท่านี้แหละวิเศษจนไม่รู้จะวิเศษยังไงแล้วที่เราจมในกองทุกข์มากมายนะเพราะเราไม่ยอมรับความจรงิงแก่แล้วไม่ยอมแก่เจ็บแล้วไม่ยอมเจ็บตายแล้วไม่ยอมตายจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ทนไม่ได้เจอสิ่งที่ไม่รักก็ทนไม่ได้ อยากแล้วไม่สมอยากก็ทนไม่ได้ความทุกข์มันถึงตามมาถ้ายอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวนะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนั่นเราฝึกนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแค่นี้แหละเป็นพระโสดาบันได้แล้วนะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเยอะเลยบางคนคิดง่ายๆนะบอกว่าพระริยบุคคลมีสี่ประเภทสี่จพวกโสดาสกทาคาพระนาคาพระระหัน ได้พระโสดาเนี่ยกิเลสหายไป25่สเปอ้วผู้เราเองผู้เจ้าไม่เคยพูดเรื่องเปอร์เซ็นเลยนะเราเป็นพระโสดาแล้วจะรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างนะแต่เดิมมันมีเรานะมีเราแน่นอนเลยมีภาระมีความทุกข์อะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะพอเห็นความจริงว่ามันมีแต่าธาตุขันไม่มีเรานะความทุกข์มันหายไปเยอะเลยมันไม่ใช่ยีหรอก ที่สำคัญนะมันมีความอุ่นใจเกิดขึ้นมีความอบอุ่นใจว่าวันข้างหน้าเราจะดีวันนี้แน่นอนคนที่กลัวตายเนี่ยนะเพราะไม่แน่ใจว่าวันข้างหน้าจะดีกว่าวันนี้หรือเปล่านะถ้าเราแน่ใจนะเราไม่กลัวเลยนะสังเกตจิตนะสังเกตจิตไปด้วยจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะสังเกต อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องแค่รู้สึกจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านตอนแรกเพ่งไว้พอเลิกเพ่งก็ฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันเอาใจลอยใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดฟุ้งซ่านก็รู้นะซึมขึ้นมาก็รู้พวกหนึ่งฟุ้งซ่านพวกหนึ่งซึมคอยดูความเปลี่ยนแปลงไป ถ้าดูจิตไม่ออกดูกายอย่างบางคนนั่งพัดอยู่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูสบายๆดูร่างกายมันพัดอยู่เหมือนเห็นคนอื่นนั่งพัดอยู่เราดูเหมือนดูคนอื่นเราพยักหน้าเห็นเหมือนคนอื่นพยักหน้าเราหายใจอยู่เห็นเหมือนคนอื่นหายใจไม่ใช่เราหายใจค่อยๆรู้สึกไปต่อไปจะรู้สึกว่าวัตถุหรอกมันเคลื่อนไหว ว่าถูกเคลื่อนไหวนะทางกายนำมาทำทั้งหลายก็เคลื่อนไหวอยู่ในใจเราเนี่ยสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรืนะ่อยไม่ไปบังคับให้นิ่งแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านจนดูไม่รู้เรื่องนะก็ทำสมถะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจให้จิตใจสงบจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสุขแล้วกลับมาดูจิตต่อนะเห็นจิตมันมีความสุขพอไหวไหม ต่อไปส่งกันบ้านตามความจำเป็นบางทีจะมีคำถามอยู่เรื่อยๆค่ะว่าที่ปฏิบัติมาเท่านี้พอแล้วหรือยั ง, งมันจะมีทำอะไรมากกว่านี้ได้อีกหรือเปล่ายังนะก็ทำให้มากพระภูรีกรตาทำให้มากาก็คือทำต่อเนื่องเพ้าที่ทราบก็คือว่าทำให้ถูกรู้สึกว่ามันยังอยากรู้อะไรอีกมากๆมากมายอ ะ, อะไรก็ไม่รู้ค่ะเออนะ รู้ริยสั์ก็พอแล้วในโลกไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกรู้อริยสัจพอแล้วในแง่มุมของธรรมะเนี่ยคะ่ะเหมือนอะไรที่มันเป็นเรื่องเชิงปัญญานี่มันล่อหนูได้ตลอดเลยนั่นแหละนะอย่าให้มันฟุ้งไป <c oughs> ปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละคิดมากไปคิดมากเนี่ยเป็นคำตรงไปตรงมานะถ้าคำสุภาพก็คือปัญญารับหน้า ในมรสการคาะหลวงพ่ออยู่ก็รู้ถ้าอยู่ก็รู้มีเสื้ออยู่ก็รู้ด้วยถ้าอยู่ก็รู้นะจะไม่เป็น<ช>พระอรหันต์ได้อย่างมากพระานาคาอะไรก็เอาค่ะเอาเหรอโอมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิเออเอ า, ออ า, เอ า, เอาว่ามาก็ พอนึกถึงว่าจะต้องส่งกันบ้านมันก็หัวมันก็โปร่ปงมันไม่มีอะไรจะส่งค่ะแต่ว่าอพอตอนที่ตอนปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะจะถามนู้นถามนี่ค่ะก็แค่เห็นนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับแค่นั้นพอละคําถามไม่ค่อยจําเป็นคําถามส่วนมากมันจะเป็นการเ้าเรียกอะไรนะปรับเอ็ดจัตึงไปหย่อนไปนะปรับให้พอดีแนละ้วพอพอดีแล้วเดินปัญญาต่อดูกายดูใจทํางานเห็นรูปนําแยกออกไปทํางาน ก็ <ไป S 2> มี<ำ>แค่นั้นเท่านั้นแหละก็ไปทำในรูปแบบเรื่อยๆใช่ไหมทำในรูปแบบไปเรื่อยนะแต่อย่าให้ใจไปว่างๆอยู่ถ้าใจไปว่างนิ่งว่างอยู่ข้างนอกนะหายใจกลับเข้ามารู้สึกตัวเข้ามามาดูกายดูใจทำงานเราจะเจริญปัญญาเนี่ยต้องรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจนะถ้าใจเรานิ่งใจเราว่างใจเราสบายโปร่งใสสว่างและติดอยู่แค่นั้นไม่เรียกว่าเจริญปัญญา นั้นติดกับติดกับดักแล้วขอบพระคุณค่ะผม พ, พยายามตั้งใจทามากๆมันจะเริ่มฟุ้งซ่านเยอะอครับผมฟุ้งซ่านเยอะๆก็กลับมาแบบให้มันพยายามไม่คิดอะไรเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะโล่งขึ้นมานิดนึงการภาวนาไม่ได้ไปทำอะไรหรอกอร่างกายเป็นยังไงก็รู้สึกจิตใจเป็นไงก็รู้สึกรู้อย่างที่เขาเป็นเราไม่ได้ทำอะไร นี้พอเราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหรเราก็คิดว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องทำอะไรสัอย่างที่เกินธรรมดาแท้จริงการปฏิบัตินะั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาร่างกายเรามีอยู่แล้วจิตใจมีอยู่แล้วไตรลักษณ์แสดงอยู่แล้วนะแค่คอยรู้คอยเห็นเท่านั้นอย่าไปบังคับมันแรงนะแต่ว่าตึงเอาไว้นะดีกว่าหย่อนหย่อนแล้วหลงไปทั้งวันนะสู้ตึงไว้หน่อยนอยดีกว่างั้นเบื้องต้นนะให้ตึงนิดหน่อย ดีกว่าปล่อยไปเลยแล้วพอต่อไปมันค่อยพอดีพเกราบหลวงพ่อครับช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่ามันอยากดีก็เลยมันเข้าไปพยายามจะเข้าไปจัดการนะครับแต่ก็ทำไปทำไปก็รู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ก็ๆๆเลยต้องทนดูมันไปจากนั้นนี้้่ว่ามันก็เป็นกลางมากขึ้นนะครับ ก็ขอคําแนะนำหลวงพ่อหน่อยครับจิตเราฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะใจเราต้องสงบพอสมควรเหมือนกันนะเวลาเดินปัญญาถ้าเดินปัญญาไปเรื่อยๆเราไม่ได้พักเลยนะใจมันจะฟุ้งไปจะไม่ค่อยมีแรงนะงั้นถึงเวลาเราก็ทําในรูปแบบให้ใจได้พักผ่อนบ้างหรือในระหว่างวันเนี้ยทําอะไรมากไม่ได้พุโทโธไว้ก็ยังดีนะเวลาไม่มีอะไรจะทำํำก็พุโทโธพุโทโธแล้วค่อยรู้ทันจิต จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาใช้ได้แล้วละขอบคุณครับคนนี้หายเครียดยังเมื่อก่อนภาวนาเคร่งเครียดมันยังไม่หายครับมันแบบมันยิ่งเล่าร้อนขึ้นหัวเก่ามันใช้คาว่าอะไรก็เฮื่อนกระหือกะเฮี้ยนกระหือยังไม่มากต้องกระเฮี้ยนกระหือลือแล้วก็สมาธิรู้สึกว่ามันจะน้อยลงอะครับ เออนะมันเห็นการเกิดดับน้อยลงไปทำสมาธิเพิ่มขึ้นใจมฟุ้งสั้นเนะีย่ยไปเพ่งให้แข็งก็แล้วกันเนาะทำสมาธิก็ง่ายๆหายใจไปสบายๆรู้ลมหายใจไปจิตหนีแล้วรู้ทันนะเดี๋ยวก็สงบค่ะคือว่าออไม่ได้มานานแล้วค่ะหลวงพอ่อเราก็ช่วงหลังเหมือนกับว่ามัน ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่อยากจะปฏิบัตินะคะศรัทธานะของเรานะี่ยเป็นศรัทธาที่พลิกไปพลิกมานะศรัทธาของปุถุชนเนะี่ยเป็นศรัทธากลับกรอกงั้นบางทีเราก็ต้องมีเพื่อนมีกลุ่มที่ภาวนานะคนนี้ศรัทธาตกเพื่อนเขายังศรัทธาดีอยู่ยก็ดึงเงนไปดึงเงินมาเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเราคิดดูไปเรื่อยว่าชีวิตเรายังทุกข์หรือยัอยงแล้วไม่ทุกข์แล้ว ถ้ายัางทุกข์อยู่เราก็ต้องปฏิบัตินะคอยเฝ้ารู้โหลดในกายรู้หนุนในใจจิตมันมีโทสะขึ้นมาให้รู้ทันลงไปนะโทสมันจะเกิดให้รู้ท่งไปเรื่อยก็จะเห็นโทสะเกิดได้ก็ดับได้เรารู้ทันอย่างนี้ความสงสัยเกิดก็รู้ทันก็จะเห็นความสงสัยเกิดแล้วความสงสัยก็ดับไปนะคอยรู้ไปเรื่อยหัดรู้ไปเรื่อยนะส่วนศรัทธานั้นมันมีบ้างไม่มีบ้างเพราะมันไม่เที่ยง เ ป, เปคือเวลาพอเห็นโทสะแล้วมันไม่ไม่ไม่ดับมันไม่ดับหน้าเพราะเราไม่ได้เป็นกลางเราเกลียดโทสะตรงที่เราเกลียดโทสะเนี่ยเราเกิดโทสะซ้อนโทสะละนะให้รู้ทันลงไปปัญหาใหญ่มีสองตัวมีโทสะมากสงสัยมากนะให้คอยรู้เท่าทันไป กราบนมัส ก, การนะคะดิฉันเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เพื่อนที่มานี่ได้ให้ซีดีไปฟังแล้วฟังของท่านหลายหลายมวนเหมือนกันแต่หลายแผ่นเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ปฏิบัติตามคําสอนในนั้นทีตอนนี้ไม่ทราบว่าที่ดีฉันได้ทํามานี่ถูกต้องหรือเปล่าคะถูกสิน ะ, ะนะพอนาไปเรื่อยถูกแน่นอนเลยล้วคอยยมเห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิด อย่างใจหงุดหงิดอะไรเงี้ยมีไหมมีค่ะนะพอใจมันหงุดหงิดเราก็รู้นะเราเห็นว่าใจมันหงุดหงิดได้เองนะเราเป็นแค่คนดูเราไม่ว่ามันหรอกเราก็จะเห็นวนะ่าใจตะกี้เฉยๆตอนนี้หงุดหงิดตะกี้งุดหงิดตอนนี้เฉยๆในนนะครรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยนะระยะนี้นะคะคือคือที่ผ่านมาเนี่ย พอเวลาจิตเราเราเราหลุดไปเนี่ยมันก็กลับมาเองกลับมาไวเห<อ>มือนเดีนั่นแหละแต่ว่าช่วงเนี้ค่ะเขาไปยาวเ้าเที่ยวยาวมากเลยว่าจะกลับมา อ, อันนี้นเราก็ต้องมีบ้านให้เขาอยู่นะไม่เศ้าเพรเป็นเพราะอะไรเหมือนขาดวิหารธรรมขาดอะไรนะคะขาดวิหารธรรมวิหารธรรมเช่นมีพุโทโธเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านให้จิตอยู่พุโทโธพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตหายใจไปแล้วรู้ทันจิตถ้าเราคอยรู้ทันนะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ ให้จิตไปรู้นะ <Okay. S 1> เช่นเรารู้ลมหายใจรู้พุโทโธรู้ท้องพ่องยุบอะไรก็ได้ <Okay. S 1> แต่รู้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเ <Okay. S 1> นะช่น<ช>เราพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดเราค่อยรู้ว่านี่หนีจากพุโทโธไปแล้วหายใจอยู่มันหนีไปคิดอีกเรารู้ทันอันนี้มันหนีจากลมหายใจไปแล้วการที่เราคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปนะต่อไปเวลาเขาหนีไปเนี่ยแวบเดียวนะั้นจะรู้สึกตัวแล้วจะกลับมาเร็วไม่ไม่หนีไปเป็นวัน คือสมัยก่อนนี้แป๊บเดียวค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกบางทีไปเป็นสินาทีเนะี่กว่าจะกลับนะนานไปนะหาบ้านให้มันอยู่ซ้อมหน่อยซ้อมรู้แล้วเราบางบางเวลานะฮะช่วงผ่านมาประมาณสองอาทิตย์นี้ค่ ะ, อ, ะอยู่ไม่อยู่เขาก็อาจจะเป็นเพราะไปเที่ยวนานเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าบางทีก็ไม่อยากจะทําสมาธิบางทีก็ไม่อยากวิปัสสนาก็แต่นี้ก็อยากจะเรียน ขอความเมตตาเขาว่าจะปฏิบัติอย่างไรคะเราต้องมีวินัยในตัวเองนะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวว่าทุกวันเราต้องปฏิบัติแบ่งเวลาไว้เลยถึงเวลาเราปฏิบัติลนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะถึงจะขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติจเจริญก็ปฏิบัติจิตเสื่อมก็ปฏิบัติไม่ยอมเลิอกอะ่ะต้องทนเอาแบบนี้คือ ท, ท, ที่ที่ปฏิบัติอยู่นี่หมายความทท้องวันนะคะคือว่าเวลาจะทาอะไร ก, ก็ปฏิบัติ ตามอยู่ตลอดนะคะต่นี่แต่นี่เป็นบางเป็นบางช่วงเอาว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เราขี้เกียจจังเลยทำไมเราไม่ไม่อยากจะทําเลยขี้เกียจขี้เกียจเราก็ดูต่อไปอีกไม่ยอมเลิกนะดูขี้เกียจเหรอฮะดูขี้เกียจเลยมันก็คือความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแล้วแล้วขณะที่สมมติคะขณะที่เราทํางานอยู่เนี่ยเรามองที่ที่กายเราหรือมองที่การกระทำคะทางานอะไรสมมติสมมติติเราแปลงฟันอย่างเงี้ยนะแปลงฟันนะเราก็ดูกายของเราก็ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดู นะเราจะรู้สึกเลยตัวที่เคลื่อนไหวนะมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นตัวเราดูสิ่งที่เราทําใช่ไหมใช่ใช่ขอบพระคุณค่ะเราเป็นคนดูกายดูใจนะน้ำมศการค่ะ เ, เมื่อวันที่สิบอ็ดมีนา ม, มาส่งเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นนะคะออืแล้วท่านบอกว่าโยมเอาสมาธิไปกดทําให้กลิ่นมันหายไปแล้วท่านบอกว่าไม่เป็นวิปัสสนาเมื่อกลางเดือนนี้โยม โยมก็ได้กลิ่นอีกแต่โยมนึกถึงคําที่ท่านบอกว่ า, าถ้าทําให้กลิ่นหายไปเนี่ยไม่เป็นมิปเสนายมก็สังเกตดูว่าเวลาหายใจเข้าได้กลิน่นได้กลิน่นพอหายใจออกไม่ได้กลิ่นนียโยมสังเกตอยู่แป๊บหนึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยหายใจเข้าออกหายใจเข้าได้กลิน่นหายใจออกไม่ได้กลิน่นอันนี้เป็นมิปัสนาห์ไหมคะก็เป็นเหมือนกันนะ อย่างน้อยก็เห็นว่ากลิ่นไม่เที่ยงแต่มันเป็นของนอกนะอ๋อค่ะใช่ไแล้วถ้าเป็นของในต้องเป็นยังไงคะก็ต้องดูดูที่กายที่ใจของเราสิเนาะแต่ถ้าจะดูประสาทรับกลิ่นเราอะมันดูยากนะมื้นเราคอยดูดูใจไปก็ได้หรือเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูก็ได้ถ้าอย่างหายใจอยู่นะมวลไปสนใจกลิ่นนี่มันออกนอกนะ ใช่ไหมมันเป็นอายตนะภายนอกกลิ่นนะให้เราสนใจอายตนะภายในไว้ค่ะแล้ว อ, อีกเรื่องหนึ่งนะคะเ อ, อมีเพื่อนเข้ามาบอกว่าสามีเขาซื้อรถใหม่ป้ายแดงอ่าเพิ่งซื้อรถใหม่ป้ายแดงให้นะคะโยมก็จิตมันก็สติหรือจิตไม่ทราบมันก็ลงไปดูจิตเองเลยว่าว่าปรากฏว่าจิตโยมเน่ะเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็ไม่มีความอิจฉาเพราะว่า โยมเห็นจิตอิจฉาของโย ม, มตั้งแต่เด็กๆแล้ว oh. แล้วยมก็ไม่ชอบ mm hmm. แล้วยมมาขอพอรพระแล้วตั้งแต่ น, นั้นมาโยมก็ไม่เคยอิจฉาใครเลยอืม mm hmm. ดีนะนะคะแล้วเอามันอนุโมทนาไหม <laughs> โอ้ดีใจเธอดีใจเห็นเธอได้ป้ายแดงยินดีด้วย <laughs> คือคื อ, ค, อคือใจมันใจมันเฉยๆอะคะแล้ว <laughs> มั น, มน อ, อุาขาลูกเดียวค่ะใจมันเฉยๆนะคะ oh. มันมันไปติดนิ่งหรือว่ามันเป็นอะไรคะ เราเราทำสมาธิมาเยอะไลใจมันนิ่งมันนิ่งไปหมดอ่ะนะปล่อยมันบ้างนะแต่ปล่อยแล้วร้ายนะนมัสการคะ่ะหลวงพอ่อวันนั้นหนูส่งการบ้านเมื่อตอนพฤศจิกาแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดประคองอะคะ่ะก็ทุกวันนี้มันก็ยังประคองอยู่แต่มันเห็นชัดขึ้นแล้วมันเหนื่อยอะคะ่ะแล้วก็เห็นเหนื่อยหรือว่าประคองเหนื่อยคะก็พอเห็นแล้วมันก็ คือคือประคองเราไปเห็นประคองใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่ อ, อ, อสอนให้รู้จักการประคองอะ่ะพอพ อ, พอไปเห็นแล้วคราวนี้มันเหนื่อยอะคะ่ะเพราะว่ามันเห็นความอัดแน่นนะคะใช่ใเสร็จแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่ามันดีบ้างไม่ดีบ้างพอเห็นสภาวะการประคองบางครั้งใช้เวลามากน้อยนะคะกว่าจะหลุดออกไปบางทีก็ไม่หลุดนะคะแล้วพอเมื่อเช้านั่งรถตู้มาะคะ่ะ ก็เห็นประคองอีกแล้วมันก็เหนื่อยแล้วคราวนี้มันเผลอไม่ทราบไปเผลออีท่าไหนอะค่ะคราวนี้ไปเห็นมันไม่เห็นประคองแต่มันไปเห็นจิตที่เคลื่อนจะไปตะคุบ ป, ประคองอะคะ่ะโอ้นั่นแหละดีแล้วพอไปเห็นปั๊บมันก็หลุดทันทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆนะนะจิตนั่นแหละเที่ยวไปยึดโน่นยึดนี่มันเคลื่อนไปเราไม่เคยเห็นถ้าเราเห็นนะมันก็ปล่อยมันง่ายไหมง่ายนิดเดียว แต่มันทำไม่ได้อีกแล้วอะค่ะตอยทั้นมันเผลอแป๊บเดียวค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วคราวนี้กันบ้านอันที่สองของหนูก็คือว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมไปเนสันชิกข้ามคืนให้ผู้หนึ่งอะคะ่ะที่มีพระคุณแล้วคราวนี้ก็นั่งยืนเดินนั่งนะคะก็ไม่ได้นอนแล้วก็ตอนระหว่างนั่งอะคะอ่ะมันเจ็บ ปวดมากจนกระดูกจะแตกเสร็จแล้วคราวนี้ตอนนั้นยังพิจารณาไม่ทันเพราะว่ามันปวดเหลือเกินแล้วจนจะเป็นลมอะค่ะแล้วก็เริ่มเห็นจิตของตัวเองที่สันรละรัวขึ้นมาถึงความตายแล้วรู้ทันทีว่ายังไงก็ไม่รักใครมากไปกว่าตัวเองแล้วละคะ่ะเพราะว่ามันกลัวตายอะคะ่ะรู้ถู ก, ถกค่ะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วยอมแพ้มันถอยออกนะคะเพราะว่าเจ็บมาก แล้วก็กลัวตายมากแล้วก็พอถอยออกมาก็ไปเดินจงกรมแทนแล้วก็หลังจากนั้นอีกวันลุกขึ้นก็ไม่ค่อยกล้านั่งเพราะว่ามันยังกลัวตายอยู่อะค่ะแต่ก็ทําสมาธิอย่างอื่นไปแล้วพออีกวันอเผอิญไปเจอหลวงปู่ท่านหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เรียนสภาวะท่านแต่พอไปถึงในนั้นปับ๊บท่านเอ่ยขึ้นมาไม่ได้มองหน้าท่านบอกว่าคนจริงมันจะได้ของจริงะนะ่านเจ้าค่ะแล้วก็เลยไปนั่งต่ออีกวันหนึ่งอพออีกวันหนึ่งคราวเนี้ยค่ะ พอนั่งก็เอาคำตรงนั้นมามันเหมือนจิตมันแน่มากกว่าไม่ได้เอาคำมานำมานะเจ้าคะ่ะแล้วก็เอามาเป็นกำลังใจเสร็จแล้วคราวนี้ความเจ็บปวดกลับมาอย่างเดิมอีกอแต่ว่ามันเป็นความหนักที่ท่าดขันอ่คราวนี้เราเราเห็นความเจ็บปวดแต่ว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่หนักมากกว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราเห็นอุณภูมิในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอะเจ้าคะ่ะแล้วก็ เ, เห็น ลมเพราะมันตีขึ้นออกทางปากออกทางทวารแล้วคราวนี้นั่งไปก็ได้นานเหมือนกันนะคะแล้วตอนหลังก็ถอยออกมากว่าจะไปรู้อีกตัวตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยอีกวันหนึ่ง อ, อ, อยู่ดีมันพิจารณาในห้องน้ําเองจิตมันพุ่งขึ้นมาว่าไอ่อย่างเพราะปกติเวลาตัวเองดูสภาวะจะดูสภาวะเขาเรียกอะไรทุกเวทนาสัญญานะคะแต่คราวนี้ยพอนั่งในห้องน้ํามันก็จิตมันก็ พุ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นธาตุดิน mm hmm. อย่างนี้มันเป็นธาตุอุณภูมิะคะ่ะที่ปรับเปลี่ยนไปจนเราจะตายนะคะในร่างกายอะคะ่ะมันเป็นธาตุของไฟอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ลมที่ตีขึ้นตีออกนี่มันเป็นธาตุลม mm hmm. แล้วคราวนี้จิตมันก็สงสัยว่าธาตุน้ำเนี่ยมันดูยาก mm hmm. จนมาเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือเมื่อวัน เ, เมื่อสุกที่แล้ววคะค่ะก็นั่งต่ออีกในสัญชิค่ะคุณพ่อ แล้วก็คราวนี้ก็รู้สึกว่าเจ็บปวดเขาไม่เจ็บปวดแล้วนะคะของสายเราอยากจะดูความเจ็บปวดแล้วแยกธาต์ต่ตอะคะ่ะ mm hmm. เพราะมันกําลังสนุกแต่คราวนี้ว่าพอนั่งไปทั้งคืนเนี่ยเป็นการในสัญชิกคั้งแรกในชีวิตที่นั่งด้วยความสนุก mm hmm. เพราะเราเห็นความง่วงเหงาเขานอนได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มแยกก็เริ่มปล่อยกับ mm hmm. เขาเ ร, เรื่องธาต์เนี่ยเราเห็นแผ่วๆเพราะเรากลับมาที่ตรงเวทนาสัญญาสังขารต่อ mm hmm. นะคะแล้วก็พอเมื่อสัก เมื่อวันซืนหรือเมื่อวานเนี่ยคะ่ะนั่งต่อคราวนี้อ น, นุสัญญาดับแล้วค่ะไม่เป็นไรธรรมดาไปดูต่อสินะใจขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหมไม่ค่อยเป็นคะ่ะหนูจำได้แล้วค่ะก็คือว่าเมื่อวานหนูปวดหัวแล้วคราวนี้หนูเห็น ความดันขึ้นมาของเลืเอดหนูนั่งสมาธิอยู่อะเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วคราวนี้มันปวดหัวคล้ายๆไม เ, เกรนอยู่ข้างหนึ่งข้างซ้ายคร mm hmm. าวนี้หนูเห็นการไหลของเลือดมันพุ่งขึ้นมาในหลอดเลือดแคบๆทางซ้ายอะ mm hmm. ค่ะตรงสมอง mm hmm. แล้วคราวนี้จิตน่ยมันไม่ได้ไปบอกอะไรเพียงต่ว่ามันตะคุบว่าตรงนั้นมันเป็นธาตุน้าของการไหลพอจิตร mm ู้ปั๊บเนี่ยการปวดหัวมันก็หยุดทันทีอะค่ะ แล้วก็พอลืมตามาอย่างนี้เจ้าค่ะมันเหมือนกับจะย้ําให้ทราบว่าตรงนี้มันคือธาตุน้ําเวลาหนูปวดหัวแล้วมันดันขึ้นมาเลือดดันมันจะเห็นธาตุน้ําพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็หายไปอีกอนี้เจ้าค่ะเวลาเราเห็นสภาวะนะกระทั่งจะเห็นธาตุหรือเห็นสัญญาเห็นเวทนาเห็นสังขารนะเห็นห่างห่างเห็นอะไรนะเจ้าค่ะเห็นห่างห่างอย่างเวลาดูธาตุน้ํานะอย่าให้จิตเคลื่อนไปจ้องใส่ ดูเหมือนดูของคนอื่นดูห่างๆอย่าให้จิตตะครุบเข้าไป แต่หลวงพ่อคะไอ้ย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของการประคองเมื่อเช้าตอนนั่งรถตู้หนูกำลังจะมาลิงก์กับไอ้เรื่องเห็นห่างๆนะะเนี่ยค่ะระหว่างพอหนูปรับแล้วหนูไปเห็นจิตที่เคลื่อนแล้วตะคุบใช่ไหมเจ้าคะสักพักหนึ่งจิตอีกตัวก็บอกว่าเนี่ยมันจะต้องทําอย่างนี้อย่าไปสนใจมันมากแล้วอีกจิตมันแทรกมาว่านี่คือมายาจิตนะคะพอพอมายาจิตปั๊บแล้วนั่งสักคู่หนุงห น, ห น, ห น, หนูไม่ทราบว่าไปไปพิจารณาอะไรอะคะ่ะหนูเห็นคล้ายๆว่าจิตเนี่ยมันเหมือน มันก็พุ่งขึ้นมาอีกคำเป็นว่าเป็นวัดตักสงสารแล้วมันเป็นกระดาษลีมสี่รีมนะคะมันซ้อนไปเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่างานมันยังอีกย่นแล้วมันเหนื่อยในการลือแล้วคราวนี้หนูก็ไปเห็นเหมือนลาสัญญาค่ะเพราะว่าข้างในนะคะมันจะมีชั้นหมูชั้นอะไรให้มันสกปรกแล้วมันต้องมานั่งลือทีละชั้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวพ่อไม่เอานะาจิตมันฟุ้งไปค่ะจิตมันฟุ้งสั้นไปเจ้าค่ะทําความสงบกับพ่อมาบ้างนะ แต่ครานี้จิตมันไม่ยอมมาพุทโธมันนานๆจะเอาทีมันจะไปเอาลมหายใจอย่างเดียวอะค่ะเอาลมหายใจก็ได้นะให้ใจได้พักบ้างเนี่ยใจจะฟุ้งไปขอบพระคุณค่ะคือใจต้องสงบนะถ้าสงบแบนี้เนี่ยใจมันจะฟุ้งแล้วที่มันเดินปัญญาไปเนี่ยจิตมันจะเข้าไปแทรกแซงอ๋ออันนี้มันเดินมากไปเหรอคะหนูไม่ได้ทําอะไรมันไปของมันเองนะคะจิตมันฟุ้งไเลอจิตมันเป็นเองมันฟุ้ง ถ้าเราทำความสงบเพอมาบ้างนะความสงบไม่พอขอบพระคุณคะ่ะหลวงพ่อคะคือช่วงนี้เห็นว่าจิตอยู่ข้างนอกตลอดนะ น, นะคะคร น, นี้บังเอิญช่วงชาพอฟังหลวงพ่อเทศเรื่องของเราเห็นกายเป็นภาระเธอไปสวดมนต์ก็เป็นภาระแล้วก็แต่งตัวไปทางา น, นก็เป็นภาระแล้วก็เห็นใจก็เป็นภาระเพราะว่าสุกเบื่อหน่ายทุกอย่างนะคะแล้วก็ ก็เลยทําให้มีโทสะก็เพิ่งก็เพิ่งจะทราบจากหลวงพ่อช่วงเช้าว่าจริงๆฟังธรรมะตรงนี้มานานแต่ไม่เคยเข้าถึงใจเอดีวันนี้เนี่ยเพิ่งจะทราบว่าอ๋อเพื่อนๆเราไม่เป็นกลางนีองใช่ในะคะแล้วก็ก็รู้สึกว่าแต่ตอนช่วงเช้าพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอมันศรัทธานใจมากนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อที่วันนี้ที่มาฟังธรรมที่หนูมาฟังธรรมดวนดีแล้วก็หลวงพ่อที่เมตตาสอนธรรมะตรงนี้ให้อื จริงๆที่ผ่านมาก็มีโทสะเยอะแต่ว่าพยายามที่จะอยู่ภายในพยายามที่จะไม่แสดงออกมาทำให้คนที่บ้านก็ค่อน ข, ข้างลาบากนะคะแล้วก็ต้องขอโทษคนที่บ้านด้วยเขาคงยกให้แล้ว <laughs> เรากล้าขอโทษค่ะเขาขนั่งข้างๆนี่ค่ะดี <laughs> ค่ะแล้วก็ <laughs> หลวงพ่อคะในในช่วงที่ผ่านมาจริงๆไม่ได้ส่งกันบ้านมานานมากนะคะแต่ว่าก็สังเกตว่ามีหลายๆครั้งที่เราใจเราเฉยๆกับหลายๆเรื่องที่เข้ามาครั้นี้ที่เฉยๆนี่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าเราไปเราไปกดก็ไม่ได้เห็นมันกดนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่เอาอะไรอันนี้เป็นมันยังไม่จริงดอกนะค่ะแจมันก็ยังอยู่กับโรคอยู่ค่ะยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ <laughs> หลวงพ่อมีอะไรแนะนํนะาเพิ่มเติมไหมคะรู้ซื่อไปเลื่อยน ะ, ะมันดีก็รู้มันร้ายก็รู้น ะ, ะเรียนรู้ไปหลวงพ่อคะคื อ, อ, อจริงๆช่วงที่ผ่านมาที่จิตมันอยู่ข้างนอกตลอดเราก็มีโทสะเราก็รู้สึกไม่พอใจแตกก่ก็รู้ไม่ทันนะคะออแต่ว่าตะกี้ที่พอช่วงเซสชั่นสองที่เริ่มฟังธรรมนะคะออก็เริ่มรู้สึกว่าใจเนี่ยเริ่มเริ่มกลับเข้ามาหน่อยหนึ่งอ อ, อันนี้ถูกใช่ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะนี่นจิตมันจะวิ่งออกนอกนะมันไปฟุ้งข้างนอกมันไม่เบื่อจริงหรอกมันไปลำคาญมากกว่าค่ะนี่พิธากับโทสะไม่เหมือนกันค่ะนร <ะ S 2> มัสการหลวงพ่อค่ะมีเรื่องอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อสองเรื่องนะคะคือช่วงหลังนี้มัน มันเบื่อที่ฟังซีดีหลวงพ่ออเบื่อก็อย่าไปฟังก็เลยไปฟังเพลงไปฟังเพลงก็ก็เบื่ออเีอมันไม่รู้เป็นอะไรค่ะเหลิมันมันเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วล่ะจิตมันถอนตัวออกจากโลกเยอะขึ้นแล้วสังเกตเปล่าว่ากายกับใจเป็นโคล่าสังเกตค่ะคือพอกายกับใจก็เป็นโคล่ชิ้นกันความสุขความทุกข์กายก็โคล่าอันกันกิเลสกายก็โคล่าอันกัน เนี่ยเราเริ่มเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆแล้วว่าแต่ละอันแต่ละอันเป็นแค่สภาวะธรรมมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแจงว่าจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเบื่อพอเห็นตามความเป็นจริงยังเบื่อหนายเบื่อหนายก็คลายความยึดถือค่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากใจเต้นตึกๆมี คือมีวันหนึ่งปกติเนี่ยจะต้องขับรถไปทํางานแล้วก็กินข้าวระหว่างขับรถไปด้วยมีวันหนึ่งคือกินข้าวไปขับรถไปใช่ oh. เป็นความสามารถเฉพาะตัว <Yeah. S 1> <laughs> คือระหว่างวันนั้นพอดีรถติดนะคะ mm hmm. ก็เลยระหว่างกําลังจะตักข้าวเข้ากินเนี่ย mm hmm. ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเขากําลังจะถมน้ําลำไยะคะ่ะ mm hmm. ก็เห็นว่า กายมันตักข้าวเข้าปากแต่ใจมันไปเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็รู้สึกอิสเอียนอะไรอเงี้ยแต่มันก็เป็นแปบหนึ่งแล้วก็หายไปนั่นแหละขันมันแยกนะนี่หลวงพ่อบอกพาวนาใช้ได้ขันมันแยกกันเสร็จแล้วใจมันก็รู้สึกว่าเออฉันก็เก่งนะฉันแยกได้อะไรเงี้ยค่ะให้รู้เลยว่าฉันเก่งก็รู้ตอนนั้นก็รู้ว่าเออรู้สึกว่าฉันก็เก่งอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเก่งจริงรู้สึกไม่ตกลุ่น แต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเดียวอะคะ่ะเวลาปัญญาเกิดเนะี่ยไม่เกิดนานปัญญาเกิดเนะี่ยมันแค่แค่ความเข้าใจเกิดนะียเกิดชั่วแวบเดียวก็เลยถ้ า, ถายาวเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคิดเอาค่ะก็เลยไม่รู้จะต้องทำมีข้อบกพร่องตรงไหนที่จะต้องทำต่อคะ่ะให้ใจมันคอยอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ก็แล้วกันนะคอยรู้สึกตัวเรื่อย รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสมาธิน้อยอะค่ะให้คอยรู้ทันเวลาใจไหลออกไปถ้าเรารู้ทันเวลาใจไหลออกไปนะสมาธิมันจะเกิดขึ้นดังนั้นหัดพุทโธหัดหายใจอะไรก็ได้แต่ไม่เป็นบังคับจิตให้นิ่งพุทโธเล่นเล่นหายใจเล่นเล่นนะจิตหนีไปที่อื่นให้รู้ทันนะแค่รู้เฉยเฉยเพิ่มสมาธิขึ้น คือก็พยายามนะคะแต่ว่า<ม>ด้วยงานด้วยมันมันต้องคิดตลอดมันก็เลยทําให้ฟุ้งง่ายค่ะถ้าถ้าต้องคิดตลอดทําอะไรไม่ได้นะทําสมราธิอื่นไม่ได้รู้สึกอยู่ที่ร่างกายไหม <c oughs> เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยเรืเดี๋ยวมันก็สงบเองเอากายมาช่วยค่ะ <c oughs> กราบนมามสการหลวงพ่อนะครับมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ3ามเรื่องคือ อบอกตามตรงว่าเป็นคนไม่ได้ภาวนามไม่ได้ถือศีลไม่ได้เจริญสมาธิอะไรทั้งสิ้นนานๆนนครั้งปีหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งที่ไปถือศีลแปดหรือว่าทําสมาธิแต่ก็อาศัยฟังธรรมแล้วก็อ่านหนังสือบ้างเนี่ยครับวันว<ต>ันหนึ่งเนี่ยไปต่อยคนบ่อยไหมไม่ครับคือเป็นไม<อ>าทำร้ายคนไหมไม่ครับทำร้ายสัตว์ไหมไม่ครับเนี่ยมีศีลข้อหนึ่งแล้ว ให้ขโมยใครเข้าเปล่าไม่กเก้ามีศีนข้อสองแล้วเแล่วบอกไม่มีศีลเลย <laughs> ปกติจะเป็นนักจัดรายการวิทยุ ธ, ธ<อ>รรมะอยู่นะครับ<อ>ก็เลยอาศัยเปิดไปแล้วก็ฟังบ้าง อ, อะไรนะครับ<อ>จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอยู่ยดีๆเกิดเบือ่อเบือ่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มานั่งทอดทุลาแบบสามวันสองวันบอกไม่ถูกว่าตัวเองเบื่ออะไรจนกระทั่งมาจนกระทั่งมาเกิดคิดว่า เบื่อว่าทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้คือไม่รู้จักจบจกสิน้นคือเป็นปกติก็เป็นปุถุชนธรรมดาที่เสพการะลมเต็มที่อะไรเงี้ยเมื่อฟุ้งเรื้อหรืออยากต้องการก็ไปอะไรเงี้ยครับแต่จนมาวันนี้เกิดคําถามขึ้นว่าทําไมฉันต้องเสพไม่เสพไม่ได้เลยจําเป็นด้วยเหรอพอะมันเอ๊ะขึ้นมาตรงนี้ทําให้เราแบบเหมือนเราเหมือนอีกคนหนึ่งล้วเกิดไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นสุขจริงหรือแล้วเอ้าทำไมเราเป็นอย่างนี้วันแรก รู้สึกว่ากระวนกวายมากอยากจะหาคนมาตอบคาถามนะครับโทรหาคนโน้นคนนี้ว่านี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรแบบบอกได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหมือนที่อุปติสสะเป็นอะ <c oughs> จะรายการธรรมะเนี่ยครับค่ะผมก็เป็นอย่างที่อุปติสสะเคยเป็นแบบที่โกริตะเคยเป็น อ, <c oughs> อ, อยู่กับโลกแล้วก็รู้สึกเรามาทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยหาศาระหาแก่นสารไม่ได้ครับ <c oughs> ทั้งทงี้ตัวเองก็เป็นคนที่ชอบเสพการามอย่างเต็มที่แต่มาวันเนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองอันเนี้ยมันสุกจริงหรอมันใช่ของตัวเองจริงหรอหือหรือมันไม่ใช่หรอก <c oughs> ก็เลยอยากจะขอความเมตตาว่าจากหลวงพ่อว่าช่วยชี้นิดนึงว่าจะเดินไปยังไงต่อแต่ไป น, นี้ก็<ๆ>มาเรียนรู้ตัวเองได้แล้วเสพการามนี่มันออกนอกมันสนใจคนข้างนอกสิ่งภายนอกนะสนใจอารมณ์ที่หวือหวาข้างนอกเราย้อนมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจ สแสวงหาตนเองไม่ได้สแสวงหาของภายนอกหรอกอ๋อ<น>ครับแล้วก็อีกเรื่องที่สองนะครับขอความเม็ตาจากหลวงพ่อคือนานๆจะนั่งสมาธิทีแต่พอนั่งทีเนี่ยปรากฏว่ามันมาชอบอะไรไม่รวมกันอยู่แต่ตรงเนี้ยแถวหน้าผาพยายามผมเคยอ่านหนังสือนะครับหรือว่าฟังว่าให้เรากําหนดจิตไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ไปเขามาันจิตอยู่แถวเนี้ยมันชินเถะสิอ๋อมันชินที่จะเอาตาไปดู โอ oh. ้เรารู้ด้วยความรู้สึกหรอกนะหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไม่ได้ดูส่วนใดส่วนหนึ่งอ oh. นะแค่รู้สึกทั้งตัวรู้สึกสบายๆงั้นมันจะเอาตาไปดูนะ oh. ตาไปดูลมหายใจแล้ว oh. นี่เะมาห oh. มุนหมุนหมุนหมุนแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือฟังธรรมนะครับแล้วเกิดความสงสัยว่าจิตเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับแล้วก็ได้มาฟังเทศนาจากหลวงพ่อเมื่อเช้านี้บอกว่า เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเอ้าถ้างั้นจิตก็ไม่ใช่ตัวตนสิครับไม่ใช่อสิอถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวตนในโลกจะไม่มีอะไรเป็นตัวตนอีกแล้วครับพระเจ้าเคยสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะสามารถเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราได้แต่มีแต่ในคําสอนในธรรมวิในของท่านเนี่ยถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งงั้นเราก็ไม่ควรไปยึดอะไรใช่ไหยครับมันไม่ใช่ควรแก็ไม่ควรนะ มันยึดอะเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของรูปนามทั้งหลายมันก็ยังยึดอยู่ถามว่าไม่ควรยึดใช่ไหมใช่ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมันไม่ควรแต่จริงๆยึดเพราะงั้นต้องมาปฏิบัติมาเรียนรู้ความจริงมันไปยึดอะไรยึดกายมันไปยึดอะไรมันยึดจิตใจทําไมมันยึดกายทำไมมันยึดใจเพราะมันเห็นว่ากายนี้เป็นของดีของวิเศษจิตใจนี้เป็นของดีของวิเศษมันถึงยึด ถ้าเราเห็นว่ากายก็ไม่เที่ยงจิตเขาไม่เที่ยงกายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์กายก็บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันก็เลิกยึดของมันเองเพราะนคําว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นเนี่ยมันเป็นผลแล้วนะเป็นผลจากการที่เราเจริญตัญญาไปแล้วมีบางคนไม่เอาเป็นจุดตั้งต้นเริ่มต้นจะไม่ยึดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยึดอยู่แล้วออความเมตตาจากหลวงพ่อ ผมควรทำยังไงครับนับจากนี้เป็นต้นไปเรียนรู้ตัวเองให้เยอะๆอะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยๆแสวงหาตนเองขอบพระคุณครับเอ้าต่อไปเชิญกลับบ้าน